ขอกราบคาวะพระรัตนตรัยพระพุทธปตันประส์ขออากาศนงาสนและใหาชี้ญาติโยมท่านก็ทำสบายก็พวกเราก็เป็นมนุษย์เกิดขึ้นในโลกนี้ แล้วก็สมัยนี้ก็เป็นประชาธิปไตยเป็นการเมืองก็ก็จะอ่าดีกว่าสมัยกอ่อสมัยก่องก็มีเป็นทาเป็นนาย ถาดก็ไม่มีสระมีชาวคอนก็ถูกปังครับก็พุชธนานี้สมัยนี้ก็ในพุทนานุกรมก็เผอถึงกามเป็นสละกามสละ ภาพคือว่าไม่ถูกบังคับจากด้านนกเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นเป็นกระสัเป็นไรต่นงๆก็ทำให ไม่มีถูกปังคับก็แสดงว่าเป็นอิสระแล้วก็ตามใจได้ในปุจนาณุกรมก็บอกว่าอิสระผมตามใจทำได้แต่ว่าพุทธศาสนานี้ก็ก็บอกก็ไม่เพียงพอ ถ้าเป็นธาตุเป็นฐานะเป็นธาตุถูกป้งครับนี่จริงๆก็ไม่เป็นสละแต่ว่ายันเป็นธาตุของจิตใจถ้าของความคิดถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นสละแท้จริง แ h เป็น่าขมมันความคิดพาเราไปอารมณ์เสียใจเสียดีใจก็บังคับเราทำนี้ทำนั่นสารพัดทำเชื่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นนักกุศลธรรมนี้ก็ ทำได้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพราะยังไม่มีสระจากจิตปรุนเตนแล้วก็ทำใจชอบทำตามใช้ชอบก็ไม่มีสระจริงๆถ้าําใจ ใจเราไม่ดีก็ทำาชั่วแล้วก็รลนในความทุกข์ได้ถ้าทำใจชอบนี่ก็ถ้าเป็นพุทธศาสนาก็ว่างานผือไม่ปราณ นี่ก็ไม่ใช่เป็นสรรแท้เราก็ยังเป็นเหมือนกับฟุ่นยนต์เป็นโรบอตตามโปรแก ร, รมที่เคยทำเคยจินก็นบังคับเราไปทา เหงียงนงั้นเป็นเป็นธาตุของชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นโพนก็ตามอภุชนานุกรมอธิบายครับความ อ, อ่า พุทธศาสนาธิบายสละนี่คนละอย่างกันพุทธศาสนาก็นงเรื่องจิตใจไม่ใช่สินด้นนานนอกวังคับอะไรนี่ก็เป็นเรื่องทานโรคแต่ว่าทานธรรมนี่ก็เพื่อถือ มิสระความอิสระของใจเราถ้าใจเรายันถูกบังรับมันไม่มีสระเป็นธาตุก็การเป็นนัทาก็ดีมานะทิฏฐิความตั้งหท้าประทาง เงียมบั ง, บงคับเราทำให้เราก็หลนแล้วก็ทุกข์ใจถ้าเราทุกข์แล้วก็ทำลไรก็มันทำลายตัวเองแล้วก็ทำลายผู้อื่น ถ้าทำอะไรกับตัวเองทําไม่ชอบหรือว่ า, าทรมาน์ต์อันตรั่นมันก็เกิดสันติภาพ ก็ไม่ได้สันติภาพนี่ก็มีด้านนอกด้านในสันติภาพด้านนอกก็ไม่มีสงครามไม่มีทีทำลายพื้น ในบางทีก็เราก็ยังมีทะเลาะออกแวงกับตัวเองด้านในไม่ว่าไม่ได้ทะเลาะกับผู้อื่นแต่ทะเลาะกับตัวเองมีอะไรก็ขึ้นอยู่ที่ใจ ก็ว่าด่ากันในใจมันมีความกรอบมันก็เกิดขึ้นความกรอดต่อตัวเองความกรอดอับเพื้นอันนี้ก็ไม่มีสันติภาพเพราะว่าไม่มีสระในิจใจ จิตใจก็เป็นธาตุของมันอารมณ์ต่างๆก็ทำลายตัวเองแล้วก็ทำลายพื้นเพราะฉะนั้นนี้ก็ศาสนาก็เน้นด้านในใจิตใจ จิตใจก็แป็นพระนิชฐ์แปลว่าเราก็ฝึกได้ฝึกตัวเองในเป็นท่าของจิตใจความคิดอารมณ์ต่างๆได้ฝึกได้เกิดสันติภาพในใจ ศาสนาก็ไม่ได้อถอดเสื้อนาาเราก็ดูรู้สึกรู้สึกตัวแล้วก็ผนจากความทุกข์ได้เพราะว่ามีปัญญาถ้ารู้สึกตัวดูดีเราเห็นธรรมอ น, นิจจานัตตาณทุกขัน ให้ชัดมากขึ้นยินชัดยินเห็นชัดได้ก็มันก็เป็นสินที่ไม่ดีก็สลายไปไปหนีไปเอนเราไม่ตนต่อเสื้อมันได้ให้ว่าเราก็มันดูดีๆเห็นดีๆ อภิปสนานี่ก็เป็นสินที่พระอาบุธที่มันก็พระนีดไม่ได้อาบุตรเป็นอะไรด้านนกไม่ได้ใช้ก็เราก็ชนะกับมันได้ชนะกับขี้เดตั้งหาป่าทางทิติมานะ ถ้ายึดมั่นถือมันก็ก็หนีหายไปเราแค่รู้สึกตัวดูกายดูใจให้ชัดมากขึ้นมากขึ้นมันก็สินที่เป็น ศัตรูศัตรูก็ด้านในก็หายไปเองมันกับว่าเราก็ดูฝันแต่เราก็เตื่นตัวเช้าแล้วก็ฝันนี่ก็หายไปหายไปทันที แม้ว่าเรื่องยาวเรื่องอไม่ดีเรื่องร้ายนี่ก็หายไปหายไปเองมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เป็นผลตกก็ถ้าสว่างขึ้นแล้วก็ หายไปเอนมันก็เป็นธรรมชาติความมืดก็มีไฟก็หายไปเอนเรารู้สึกตัวเป็นจัดสตินี่เป็นเป็นไปมันผนีเป็น พระสรสวานให้จิตใจสวานให้จิตใจสงบให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์มก็ไม่มี ศัตรูไม่มีสิ่งที่ทำลายเราได้เพราะนี้ไปเองเพราะเราก็มีเจ้าของแห่งความสวานคยู่ที่ใจสติกับปัญญาก็ช่วยเพ่ออำนวยความวยก็เราก็ไม่ต้องเป็นห่วง รับสิ่งอะไรคือขึ้นที่ใจมันที่ก็มีสิ่งที่เป็นคิดมันเกิดขึ้นก็เราก็มีสติก็หายไปเองไม่มีโอกาสที่เป็นธาตุของมัน เราก็มีอยู่เบคขาก็ปล่อยได้สติรู้สึกตัวก็ปล่อยไปแอนไม่ต้องบังคับอะไรแต่ว่าถ้าเราก็ทำหน้าที่ให้ถูกต้นให้คือสติในปัจจุบันขณะ ก็ไม่ต้องขอสร้างอัตตาว่าตัวเองว่าเป็นอย่างนี้เป็นตัวของของเราก็ไม่มีอะไรแล้วก็เป็นเสระแท้เพราะฉะนั้นนี้ขอพวกเราก็ดีท่านใจ มีเวลามีสถันที่ที่ดีที่เหมาะสมกับการปฏิบัติก็ปฏิบัติทำมากขึ้นมากขึ้นก็เราก็เป็นนิสระก็มากขึ้นมากขึ้นสันติภาพด้านในด้านนอกก็มากขึ้นมากขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นที่ใจทิ่ใจมีเป็นกุศลก็ร่างกายจิตใจสังคมก็เป็นกุศลตามตามก็ทั้งต้านใจให้ทุกวันทุกวันทุกนาทีทุกนาที เป็นหน้าที่ของเรานักบวชแล้วก็เป็นผู้ที่ศรัทธาร่วมสายบุธศาสนาทุกๆ ท, ท่านให้มีความส่อความเจริญด้วยอายุวรฒนะสุขภรล ะ, ระแล้วก็เจริญการดานจิตใจให้เกิดปฏิปัญญาให้มากขึ้นมีความ จะเดินถึงมักปอ น, นิปะในปัจจุบันชาตินี้ทุกท่านต้องการพระองค์กัน